ขณะนั้นเองภายในบ้านเนี่ยมันมืดสนิทนะก็เลยมองเห็นภายนอกอย่างชัดเจนแสงสว่างจากแสงจันทร์แล้วก็ไฟถนนคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงภาพที่เห็นเขาบอกว่ามีแต่สนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้เอะมันเป็นไปได้ยัางไงาเสียงคนวิ่งชัดๆแถมดังมากซะด้วยวิ่งตั๊ ๆ, ๆ๊ผ่านหน้าไปทางขวามือซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณยองบอกตรงนั้นคือกำแพงไม่มีทางที่จะหลบไปไหนได้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 ก่อนอื่นบีก็ต้องขอขอบพระคุณเรื่องราวนี้โดยพี่เฉลิมพลซึ่งเป็นประธานประดาน้ำภาค7นะคะเป็นเรื่องราวศพที่16ที่เฮี้ยนหนักค่ะที่กู้ภยัยศบนำศพขึ้นมาจากใต้น้ำพอเห็นศพเนี่ยทาเอาขนลุกเลยทีเดียวนะคะเรื่องศพที่16เฮี้ยนวันนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าในคืนวันที่12เมษายนเมื่อปี 2,558 เวลาเที่ยงคืนนะคะก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่สูญหายใต้น้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวพมา ซึ่งเป็นผู้ชายหนึ่งรายมาด้วยกันทั้งหมดห้าคนแล้วก็ได้เช่าแพ่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแพรลากนะคะ